ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท<อ> <today. S 2> ูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสาระสนเทศสมัยใหม่โดยปอนชัยจันทร์รัศดุพแสงคลิกใจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิร์ต สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์เรดิโอนะครับทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์สนะครับอยู่กับผมพรชัยจันทราสุเปแสงประกอบมิง้งประจำวันจันทร์ที่ทะเลชงากระเล็กหน่อยวันจันทร์ที่แปดนะฮะใช่ไหมไม่ใช่วันจันทร์ 8, ที่เจ็ดโ ง, ง่บันไปหมดแล้วเจ็ดตุลาคมสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสองนะครับก็หรือเวลาไม่ ไม่ไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยไม่อยากใช้ความไม่กี่วันไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับก็จะถึงคอมมานที่จะจัดขึ้นช่วงปลายปีนะครับคือสิบเก้าถึงยี่สิบสองธันวาคมแต่กว่าจะถึงวันนั้นนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำว่าคอมมานท์เวิร์กครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ อ่ะเดี๋ยววันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับกับเรื่องของการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เลิกไม่ได้นะฮะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ควรเลิกเป็นเสียงสะท้อนของประธานชมรมบัตรเครดิตนะครับก็เป็นข่าวคราวเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและก็สมาคมธนาคารไทยทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น อย่างเช่นการจะเลิกทำแคมเปญสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างเช่นการทำโปรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ซึ่งจะทำให้ได้แค่ไหนหรือจะทำแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่วิ่งจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นการพูดคุยกับคุณถากอนปิยพันธ์นะครับประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอน sumer ธนาคารกรุงศรีหรือว่าเบย์นะครับในฐานะหนึ่งแล้วก็อีกฐานะหนึ่งก็คือเป็นประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิตนะครับก็มาพูดคุยถึงประเด็นนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยพยายามบอกก็คือพาละนี่ครัวเรือนขณะนี้ยังอ่อนไหวแต่ไม่ใช่บัตรเครดิตนะครับเพราะว่าสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยน มันรวมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพรวมของนี่ครัวเรือนทั้งหมดทำให้ต้องกลับมาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรบ้างเพื่อดูแลตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะออกกฎเกณฑ์มาเพื่อให้หยุดทำโปรโมชั่นศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยอันนี้เขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าในความจริงแล้วนะครับคงไปหยุดไม่ได้เนื่องจาก ออไม่ว่าจะเป็นคนมีเงินหรือคนไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยเนี่ยเวลาจะซื้อของใช้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือซื้อประกันก็ล้วนใช้แต่วิธีการผ่อนชำระกันทั้งสิ้นนะฮะไม่มีใครยอมจ่ายเงินเต็มหลอกนะฮะซึ่งต้องต้องเข้าใจสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกับสมาคมธนาคารไทยกำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือทำอย่างไรทำอย่างไรที่เราจะสร้าง sustainability หรือการพัฒนายอย่างยั่งยืนกับวินัยทางการเงินซึ่ง ก่อนหน้านี้ก็มีการปรับลดวงเงินบัตรเครดิตให้เป็นไปตามรายได้ผู้สมัครนะฮะจากที่สมัยก่อนเนี่ยให้ห้าเท่าของเงินเดือนเลยตอนนี้เขากำหนดเลทไปเลยว่าถ้าเงินเดือนแค่หมื่นห้าถึงสามหมื่นเนี่ยเวลาได้วงเงินก็จะได้แค่หนึ่งจุดห้าเท่า ส่วนคนที่มีรายได้สามหมื่นถึงห้าหมื่นสมัครปุ๊บก็จะได้วงเงินสามเท่าส่วนคนที่มีห้าหมื่นขึ้นไปถึงจะได้วงเงินห้าเท่าจากเดิมที่อย่างที่บอกนะครับว่าสมัครหนึ่งครั้งเนี่ยคูณห้าไปเลยกับวงเงินที่ได้นะฮะจะเห็นว่าซีรีส์ของความพยายามที่จะประครับประคองให้มีการใช้จ่ายแบบเหมาะสมและไม่ใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเสร็จแล้ว คุณหากรยังอธิบายถึงการที่ต้องมีโปรผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ว่าเป็นเรื่องของการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดจากสมัยก่อนนู้นนะฮะเวลาทำโปรก็จะเป็นเน้นลดแลกแจกแถมแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเน้นลดแลกแจกแถมแต่เปลี่ยนมาเป็นผ่อนซึ่งใช้กับคนทุกระดับต้องย้ำอย่างนี้นะฮะเขาพยายามย้ำว่าใช้กับคนทุกระดับไม่ใช่เฉพาะคนที่มีรายได้น้อยและอยากจะซื้อไอโฟนไม่เกี่ยวคนมีสตางค์ เขาก็าซื้อได้นะฮะแต่ว่าเขาไม่จ่ายเงินเงินแบบเต็มจำหนวนเขามาใช่วิธีการผ่อนนะครับอย่างกรณีสินค้าไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันธุรกิจที่ขายสินค้ามีโปรแกรมการผ่อนเป็นตัวช่วยสร้างยอดขาย、mm. เขาบอกว่าถึงประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นหากหยุดให้มีการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันกระทบแน่นอนกับเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับถามว่าผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์มีผลกระทบหรือเปล่านะอาจจะมีบ้างแต่ไม่ถึงขั้นจำเป็นต้องหยุดห้ามทุกคนใช้เพราะว่าในเรื่องการตลาดแล้วเนี่ยมันมันก็เหมือนกับเป็นส่วนที่ช่วย drive ให้ตลาดมันขับเคลื่อนได้แล้วก็ทำให้ตลาดเกิดขึ้นมาถึงสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ มือถือถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไหมจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่ามันฟุ่มเฟือยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องใช้นะโน้ตบุ๊กมือถือมันใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารมันกลายเป็นปัจจัยที่โอ้โหห้าหกเจ็ดแปดของมนุษย์เราไปแล้วเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือเปล่าคำตอบก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอมาทอนแล้วเนี่ยราคาต่อเดือนมันก็จ่ายกันประมาณพันสองพันซึ่ง มนุษย์ที่ทำงานระดับหมื่นห้าหมื่นหกพี่มิงเชื่อว่าเขาสามารถผ่อนได้นะเพราะฉะนั้นถามว่าการผ่อนศูนย์เปอร์เซนเรื่องนี้มันมันอาจจะไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยแต่กรณีกับการไปเที่ยวต่างประเทศเอออันนี้น่าคิดเพราะว่าเป็นการออกไปนอกประเทศเอาเงินออกไปนอกประเทศก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นไอ้กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมามาจำเพาะแค่เรื่องของการผ่อนมือถือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ผ่อนออตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย มันก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนสักนิดหนึ่งแต่พี่มิ้งมีความเชื่ออย่างหนึ่งแหละ ว, ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาที่ตรงจุดต่างหากที่จะช่วยปรับวินัยทางการเงินของของคนเราได้นะครับส่วนคนทั่วๆไปนะครับที่อาจจะไม่ค่อยมวีวินัยทางการเงินตรงนี้ก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนเหมือนกันนะคุณถาก่อนจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละปีมีการจ่ายผ่านบัตรเครดิตรวม2ล้านล้านบาท ซึ่งแต่ละปีสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 2-3 หมื่นล้านบาทแต่หากไปดูหนี้คูเรือนจะพบว่าหนี้คงค้างบัตรเครดิตอยู่ที่กว่า4แสนล้านบาทเนี่ยมีสัสดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับหนี้คูเรือนทั้งหมด12ล้านล้านบาทมันแค่4แสนล้านบาทดังนั้นการแก้ปัญหาควรจะไปโฟกัสอย่างตรงจุดโดยใช้การควบคุมดูแลกลุ่มผู้ที่อ่อนไหวเหมือนอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งสั ญ, ญญาณว่าจะคุมภาระหนี้ต่อไรายได้ที่ 70% นะฮะซึ่ง การขอความเร่วมมือกับสถาบันการเงินต้นปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มมีการปรับตรงนี้ไอความใหม่ก็คือไอพวกบัตรผ่อนเงินสดอะไรต่างๆตัวนี้แหละที่เป็นปัญหามากกว่าบัตรเครดิตที่ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองหนึ่งจากจา ก, จากนักวิชาการไอไม่ใช่นักวิชาผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตรงนี้ซึ่งก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากที่เสียงฟิทแบ็กออกมาไม่ค่อยดีแล้วนี่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงเดินหน้า กับการยกเลิกผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนหรือยี่สิบเดือนต่อไปหรือเปล่าก็ต้องรอต่อครับรายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัทเออาร์ไอพีจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ファーレトンテレーか。 キャプテンチャイチャンキャプテンパンモンジャイウィンハイカンキャプテンクルワンティディワイキャプテンレタードンナンティトファンファイ どこかで見たらいいな。いい 私たちはこのように見えます。จ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 ยังคงอยู่ในเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยจะยกเลิกผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือเนี่ยหรือจริงหรือเปล่าวะก็เป็นข่าวในช่วงกลางเดือนกันยายนนะฮะก็มีข่าวจากฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะยกเลิกโปรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์กับบัตรเครดิตเพราะก่อนหน้านี้ก่อให้เกิดเขาบอกว่าก่อให้เกิดหนี้สินครัวเรือนสูงซึ่งหลังจากที่มีหลายหลายแห่งเนี่ยเขาก็ลองมาวิเคราะห์จริงต้องไปดูศึกษาเลยเพิ่มเติม สักหน่อยว่าเอ้ที่บอกว่าศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้โปรโมชั่นศูนย์เปอร์เซ็นยังใช้ได้อยู่กับรายการโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการประกาศออกมาต้องย้ำตรงนี้นะครับรายการที่ถูกป้องปราไม่ให้ร่วมโปรโมชั่นศูนย์เปอร์เซ็นคาดว่าจะเป็นการคอนโทรลซับมือถือแพ็กเกจการท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะนโยบายดังกล่าวเป็นการร่วมมือของสามหน่วยงานก็คือสมาคมธนาคารไทยธนาคารพาณิชย์และก็ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งไม่ใช่แค่การจัดโปรโมชั่นกับบัตร เครดิตนะครับแต่คาดว่าน่าจะเพ่งเล็งไปที่สินเชื่อบัตรกดเงินสดซึ่งเป็นบัตรผ่อนที่ให้ใช้ระยะยาวผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์กับสินค้าหลากหลายรายการปัจจุบันก็มีทั้งหมด24ใบมีใครบ้างมีหนึ่งนะครับบัตรโฮมโปรเฟิร์สช้อยส์บัตรที่สองบัตรกดเงินสด SCB M Space Speedy Cash นะฮะสามสินเชื่อเงินสด People Card สี่สินเชื่อบัตรเงินสด Premium พรีม่าคัทนะฮะห้าบัตรสินเชื่อบิ๊กซีเอ็กซ์คลูซีฟหกบัตรกดเงินสดเซ็นทรัลเดอะวันเฟิร์สชอยส์นะฮะบัตรเจ็ดบัตรกดกดเงินสดเอมันนี่แปดบัตรกดเงินสดสินเชื่อจัสต์แคชเก้าบัตรกดเงินสดสมาชิกเอออนแล็บบิดสิบบัตรกดเงินสดสมาชิกเอออนแล็บบิดสิบเอ็ดบัตรกดเงินสดพร้อมใช้เคทีซีนะ พราวเนี่ยสิบสองบัตรกดเงินสดยูเม plus สิบสามบัตรกดเงินสดยูเม plus premium สิบสี่บัตรกดเงินสดเคเคแคชคัสสิบห้าบัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สชอยคัสสิบหกบัตรกดเงินสดยูโอบีแคช plus สิบเจ็ดบัตรสินเชื่อบุคคลเอกซ์ครูซีฟเอ็กซ์ตราแคชสิบแปดบัตรกดเงินสดซิตี้เลดี้เครดิตสิบเก้าบัตรกดเงินสดสปีดดี้แคช เนี่ยยี่สิบบาทกดเงินสด TMB Ready Cash ยี่สิบเอ็ดบาทกดเงินสด Express Cash และยี่สิบสองบาท Power Bank Card นะฮะยี่สิบสามเงินบาทกดเงินสดธนาคาร Flash Plus ยี่สิบสี่บาทกดเงินสด Tesco Lotus Premium นะฮะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่ายธนาคารแล้วก็มีพวกห้างสรรพสินค้าแล้วก็พวกช้อปปิ้งที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมตรงตรงตรงการทำบัตร แคชแบทหรือกดเงินสดซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีการพอร์ตศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะกระทบกับบัตรเหล่านี้เพราะว่าคนก็จะสมัครน้อยลงบัตรเหล่านี้ก็จะเขาเรียกว่าทำธุรว ก, กรรมหรือทำธุรว ก, กิจในการหาดอกเบี้ยจากตรงนี้ได้น้อยลงเช่นเดียวกันด้วยนะครับ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 「へっちゃない」9. たくにまたくないやきににばいへいきないまいあ son qua ないはだいじゅうていんわんやんこん かみまたない。 ロープローチェイケンバー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 ว่าการเกิดนิเสธของควรัวเรือนมาจากหนี้บัตรเครดิตเพียงแค่ 3% แต่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลถึง 34% ถือเป็นกลุ่มสินเชื่อที่มีอัตราสูงที่สุดและเหตุที่ต้องรีดงดรีดอะไรรีบงดการปล่อยสินเชื่อ 0% คาดว่าเพื่อลดนิสัยการใช้ใจ่ายกับกลุ่มสินค้าที่ไม่จำเป็นเนื่องจากจะไปเพิ่มสัด ส, ส่วนหนี้สินครัวเรือนหากแตะถึง 80% ก็จะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมมีปัญหานะครับ เโดยในยปัจจุบันมีสัด ส, ส่วนหนี้สินควรัวเรือนถึง 78.7% แล้วซึ่งคาดว่าซึ่งคำว่าหนี้สินส่วนบุคคลเนี่ยรวมไปถึงพวกบัตรกดเงินสดมากกว่าไม่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตแต่อย่างไรนะครับสินค้าที่ต้องใช้บัตรรูดจ่ายซื้อนั้นน่าจะใช้ โปรนี้ได้ยกเว้นสินค้าที่มีโปรบัตรผ่อนต่างๆที่ผ่อนได้ยาวๆตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สมาคมไทยธนาคารไทยเนี่ยน่าจะจับตามองอยู่เป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าการผ่อนสินค้าที่ไม่ได้มีแค่สินค้าโทรศัพท์มือถือหรือการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวเนี่ยต่างประเทศเสมอไปยังมีสินค้าหลายอย่างที่บัตรทั้งสิบสี่ใบที่กล่าวมาทั้งต้นเนี่ยเขาสึกเอาไว้ผ่อนอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าโน้ตบุ๊กแกจิตที่ใช้คู่กับโทรศัพท์มือถืออย่างรถยนต์ที่พักโรงแรมร้านอาหารบุฟเฟเ่รถจักรยานยนต์กระเป๋าแบรนด์เนมสินค้าแฟชั่นนะฮะอะไรบ้างที่จะถูกยกเลิกการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าในช่วงแรกที่มีโปรโ ม, โรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะถูกยกเลิกในการซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าการต้องเที่ยวก่อนเป็นอันดับแรกแต่หากมีการควบคุมอีกก็น่าจะรวมไปถึงกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าโปรโมชั่นร้านอาหารบุฟเฟ่ต่างๆที่มีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะจะ แล้วต่อไปเราจะทำยังไงกับการผ่อนพวกสินค้าพวกนี้เขาบอกเริ่มมีผู้ใช้งานบัตรเครดิตออกมาพูดถึงการยกเลิกโปรโมชั่น 0% ในเว็บต่างๆบ้างแล้วโดยทางเลือกของการผ่อนแบบ 0% นี้หากไม่ได้สามารถรูดได้ก็คงต้องรูดเต็มจำนวนและจ่ายขั้นต่ำตามวงเงินและข้อกำหนดของบัตรเครดิตใบที่ถืออยู่นะฮะรวมถึงการผ่อนกับตู้ที่มีความสิ่งดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะฮะสรุปสี่ข้อก็คือหนึ่ง หากธนาคารยกเลิกโปรโมชั่นศูนย์เปอร์เซ็นต์กับลูกค้าลูกค้าคงหันไปกดเงินสดจากบัตรกดเงินสดเต็มจำนวนแทนการลู่ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นโดยมีเดอกเบี้ยวิ่งเป็นรายวันสูงยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับสองหากธนาคารยกเลิกตรงนี้ลูกค้าหันไปใช้โปรผ่อนด้วยบัตรประชาชนที่หน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะเข้าไปควบคุมดอกเบี้ยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์และก็สามนะฮะ หากธนาคารยกเลิกโปรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซนต์กับมือถือทางค่ายมือถืออย่างพวกดีแท็กทรูเอเอสก็อาจจะออกโปรทำสัญญากึงก่งๆให้ผ่อนจ่ายหลายเดือนได้หรือก็ต้องหาทางเหมือนกับเอาไปพ่วงกับโปรโมชั่นหลายเดือนนะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือหากธนาคารยกเลิกโปรโมชั่นศูนย์เปอร์เซนต์เนี่ยลูกค้าย่อมจะต้องรูดเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิตแล้วก็ไปจ่ายขั้นต่ำซึ่งบัตรหลายที่เขาก็จะมีเหมือน เหมือนกับให้ใจ่ายขั้นต่ำแล้วก็ไปผ่อนดอกเบีย้ยสูงถึง 18% อันนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าการยกเลิกสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องของพฤติกรรมในการซื้อสินค้าเพราะว่าคนก็ยังซื้อเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไปเพิ่มภาระให้กับเขาที่เขาต้องจ่ายมากขึ้นแล้วคนขายเองบางครั้งก็ทำให้คนซื้อตัดสินใจยากขึ้นสรุปแล้วการทำตรงนี้ก็อาจจะมีผลกระทบในแง่ลบมากกว่าแง่บวกนะครับยังไงก็ต้องดูกันต่อไปครับ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 หรือที่เวอร์ไวยเว็บดอทโลตัสดอทอาร์เอ็มยูทีทีดอทเอซดอททีเอชศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รับผลิตยาสมุนไพรยในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อมชงลูกประครบพิมเสนน้ำรวมถึงเครื่องสำอางทุกขั้นตอนผลิตตามรูปแบบมาตรฐาน GMP และใช้เครื่องมือที่ทันสมัย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 มองหาโรงงามผลิตและศูนย์ให้กรรมปรึกษาด้านสมุนไตรด้วยทีมงานมืออาชีพราคาย่องยาวปลอดภัยได้มาตระฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยายลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่านยิบุรีติดต่อสับถามหรือปรึกษาฟรีโท025921999 คอยใครสักคนจะหลงทางผ่านมาเฝ้าคอย ใ, ใครสักคนใจหวังเพียงจะพูดจาอยากเพียงพบหน้าทักทายอยากจะเพียงพูดคุยรู้จักทักทายเพียงเท่านี้ก็พอเฝ้าคอย ใ, ใครสักคน カウチャイディオカブラウ。 Oh. ファウコイクライスコンティカ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 ในเรื่องไม่ให้ฟังข่าวฟังเนื้อหาที่มีการวิเคอราะห์ถึงเรื่องของการยกเลิกการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมากับข่าว C H R กันบ้างนะ C H R C H R ก็คือข่าวเพื่อสังคมข่าวเพื่อเหมือนกับเป็นการคืนกำลังกับสังคมอะไระขอย่างนี้นะครับของ A I X นะครับฉลองครบรอบสามสิบปีตั้งเป่าเก้าสูงกองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เขาเป็นข่าว เหมือนเฉลิมฉลองของ AIS นะครับกับการก้าวสู่ปีที่30นะครับเขาบอกว่าเดินหน้าอัดงบมอบสิทธิพิเศษประกาศจุดยืนตั้งเป้าก้าวสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมพร้อมสารต่อโครงการสร้างสรรค์นสังคมนะครับ AIS เดินหน้าฉลองก้าวสู่ปีที่30จากมือพาร์ทเนอร์พันธมิตรร้านค้าชั้นนำ 1,918 แบรนด์นะครับที่มีจำนวนสาขารวม 27,155 ล้านชั่วประเทศอัดงบส่ง มอบสิทธิพิเศษ AIS point เพื่อตอบแทนลูกค้า AIS และ AIS Fiber รวมกว่า42ลาย42ล้านลายนะฮะทั่วประเทศไม่ใช่42ลายนะฮะโดยจะมอบตามอายุการใช้งานยิ่งอยู่นานยิ่งได้รับ point มากเช่นใช้บริการน้อยกว่า10ปีรับ point 30 point มากกว่า10ปีรับ60 point และมากกว่า20ปีรับ90 point ซึ่งปกติลูกค้าก็จะได้รับ point จากการใช้งาน25บาทเท่ากับ1 point อยู่แล้วนะครับ ซึ่งลูกค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการ AIS point แล้วบริษัทได้มอบ point พิเศษให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่1ตุลาคมและตลอดเดือนตุลาคมนะฮะเพียงใช้ AIS AIS point หนึ่ง point แรกรับสิทธิ์ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มสุดทิดบัตรกำ น, นันคูปองส่วนลดสินค้าและบริการจาก AIS แล้วก็สิทธิ์ลุ้นรับโชคนะฮะทองคำมูลค่า6 แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วก็ซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตสิบพลัสเนี่ยจำนวนสามสิบรังวัด น, นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำไปก็คื อ, อทางเอเอสเนี่ยจะตั้งโครงการอ、e、ีเวสขึ้นภายใต้ภารกิจมิชชั่นเกลียนสองศูนย์สองศูนย์นะครับเพื่อสร้างความตระหนัก ถึงผลเสยของการทิ้งขยะอย่างไม่ถูกวิธีและก็รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์นะฮะโดยเอเอสจะร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่การจำกัดกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่เขาทำขึ้นมากับการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีนะครับซึ่งในอนาคตเอเอสก็จะจับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำนำถังขยะอีเวสไปตั้งในแหล่งศึกษาตามจุดต่งตางๆนอกจากนี้ก็อำนวยความสะดวกอุปกรณ์ อ, อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเอเอสยังมีแผนที่จะรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้คนไทยถึงบ้านด้วยนะครับ ก็ต้องรอดูกับโครงการดีๆแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นใน AIS แล้วก็ในเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หน่าและก็ร่วมกันสนับสนุนได้ครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม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 ว่าเขาเรียกว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคลิปวนลุบสั้นๆหรือว่ากิฟต์เนี่ยได้ขยายเข้าไปสู่โลกโซเชียลในทุกช่องทางทั้งในกล่องแชทหรือบนกระดานข้อความเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงอารมณ์แบบขบขันออกมาได้ง่ายมากขึ้นแต่หากลองคิดเล่นๆว่าฝ่ายกิฟต์ที่ดูได้ไร้เดียงสาตัวเนี้ยสนุกๆสนุกแบบเนี้ยเช่นการกล่าวอารุณสวัสดิ์หรือสุขสันต์วันเกิดมันสามารถแฮกสมาร์ทโฟนของเราได้ละ่ะมันจะ อยัางน่าพิสมัยอยู่ไหมนะฮะอันนี้ก็เมื่อไม่นานมานี้เกิดขึ้นกับวอตแอบบ์นะฮะได้ทำการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยสำคัญบนแอนดรอยด์ซึ่งยังคงได้รับการแก้ไขเป็นเวลายอย่างน้อยสามเดือนนะครับหลังจากถูกค้นพบและหากถูกโจมตีอาจทำให้แฮกเกอร์เข้าควบขุมเครื่องจากระยะไกลได้ก็คือหลังจากค้นพบแล้วนะฮะเขาก็พยายามแก้ปัญหาปัญหานี้มีผลกับวอตแอบบ์เวอร์ชันสอง จุดหนึ่งเก้าจุดสองสามศูนย์แล้วก็รุ่นที่เก่ากว่านะฮะที่รันบนแอนดรอยด์แปดจุดหนึ่งและเก้าจุดศูนย์แต่ไม่สามารถใช้งานได้กับแอนดรอยด์แปดจุดศูนย์และต่ำกว่าดังนั้นเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกโจมตีอันนี้คือ point สำคัญไม่อยากถูกโจมตีเนี่ยจากช่องโหว่นี้นะฮะ ก็แนะนำให้อัปเดตวอตแอปให้เป็นเวอร์ชัน ล, ล่าสุดในกูเกิลเพลย์โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตัวล่าสุดที่อยู่บนกูเกิลเพลย์ที่ให้เราโหลดในแอนดรอยตัวนี้มันก็จะเป็นแอปวอตแอปที่มีตัวป้องกันนะฮะการแฮ็กจากพวกแฮกเกอร์ต่างต่างเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่คนมักจะต้องให้ความสนใจจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนตอนที่คนใช้นอทบุกันเยอะๆวินโดว์เยอะๆเนี่ย วินโดวส์ก็จะโดวนแฮกโดวนนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาแต่ในยุคนี้เนี่ยเนื่องจากคนใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะใช้แอนดรอยด์กันเยอะนะฮะก็เลยเกิดเรื่องราวของการแฮกข้อมูลตรงนี้เกิดขึ้นในขณะที่ค่ายไอโอเอสก็น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งแหละเพราะว่ามันเป็นระบบปิดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการแฮกได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถแฮกได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลสำคัญนะฮะหรืออะไรต่างต่างเหล่านี้เราก็ต้องหมั่นคอยติดตามข่าวสารนะครับ บางคนว่าให้อัพเดทไม่บ้อยกับพวกเวอร์ชั่นจริงๆก็ไม่เกี่ยวนะการอัพเดทบ้อยก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะบางทีถ้าเกิดอัพเดทผิดไปอัพเดทเป็นพวกซอฟต์แวร์ที่มี malware หรือมีไวรัสอยู่ก็อาจจะไป Enterline เหมือนกันเพราะฉะนั้น ทั้งหมดทั้งหมวลนะครับก็ต้องคอยติดตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆโดยเฉพา ะ, อ, ะอย่างรายการคอมทูเดย์หรือจะเป็นเว็บไซต์เอไอพีแฟนก็ได้เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราหตาสว่างแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองได้ดีกว่าการที่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับอ่ะ ฟังกันมายาวๆเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะรวมเขาเรียกทั้งโครสดาทั้งเพลงทั้งสาระที่คุยกันเนี่ยก็น่าจะได้อัปเดตกันไปเยอะทีเดียวนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยในเรื่องของไอโฟนสิบเอ็ดกันต่อหลังจากที่ตอนนี้ไอโฟนสิบเอ็ดกำลังจะวางขายล็อตแรกนะฮะวันช่วงไหนี้สิบเอ็ดตุลามถ้าจำไม่ผิดนะแต่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นล็อตที่สองสามอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ไม่ใช่พูดผิดสิบเอ็ดตุลาจะเริ่มขายในเมืองไทยแต่ว่าก่อนหน้า น, นีย้เริ่มมีการจำหน่ายที่ต่างประเทศแล้วรุ่นแรกๆออกมาแล้วเพียงแต่ย ว, ว่ามันก็จะมีประเด็นเล็กๆน้อยๆที่เอามาคุยกันได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เบรกแรกของรายการเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของไอโฟนสิบเอ็ดแบบเต็มๆให้ฟังส่วนเวลาของวันนี้หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ รายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัทเออาร์ไอพีจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี เปิดส่วนใหม่พร้อมให้ประการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 私たちはあなたの声を聞いて、私たちはあなたの声を聞いて、私たちはあなたの声を聞いて、私たちはあなたの声を聞いて、私たちはあなたの声を聞いて、私たちはあนたの声を聞いて、私たちはあなたの声を聞いて、私たちはあなたの声を聞いて、私たちはあなたの声を聞いて、私たちはあอย่างนี้ 为了他 たんたんていやんらばか。